นะส่วนคนใดได้ธรรมะขั้นต้นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะจนให้มันเต็มชั้นเต็มภูมิจิตใจพ้นจากความปรุงแต่งสิ้นเชิงนะจะได้รับความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขในโลกโลกหลวงพ่อรู้จักดีนะกว่าหลวงพ่อจะบวชได้ในอายุทั้งสี่สิบแปดนะีบวชเมื่ออายุมากเพราะว่าต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นี่จิตประพัด ส, สอนตั้งแต่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่นะได้ตอนในคันอย่างตอนนี้นะพวกเราได้เปรียบหลวงพ่อแนละ้วพวกเด็กในท้องเนี่ย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 หายใจเข้าพูดธหายใจออกโทอะไรอย่างเงี้ยทำสมถะทําใจสงบไปตั้งแต่เจ็ขวบหัดแต่เจดขวบทําความสงบทุกวันทุกวันทําอยู่22ปีก็ไม่รู้ว่ามันจะไปเป็นพระอริยะได้ยังไงก็คิดแต่ว่าถ้าทําความสงบไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งบารมีพร้อมคงจะเป็นทําอยู่22ปีมันก็ไม่เป็นทักทีนะมันก็รุ่มๆดอนๆเหมือนพวกเราตอนนี้แหละ ดีบ้างร้ายบ้างรู้สึกไหมคุ้มดีคุ้มร้ายเนี่ยคุ้มดีคุ้มร้ายร้ายมากกว่าดีจนอายุ29ินะปี2525 25ันยหไปเจอหลวงปุดุลหลวงปูดุลท่านสอนธรรมะให้หลวงพ่อสอนแปลกท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วนะตอไปที่ให้อ่านจิตตนเองนี่หลวงพ่อตอนนั้นก็ลืมคาว่าพระอริยะไปละลืมว่าเราตั้งแต่เด็กๆนะอยากจะได้ธรรมะ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 ถ้าพูดภาษาพระจริงๆเขาเรียกว่ามีสักกายทิฏฐิมีความเห็นว่าสิ่งบางสิ่งเป็นตัวเราอยู่เป็นตัวเราอย่างถาวรถ้าวันใดที่เราภาวนาจนเราถอนความเห็นผิดได้ว่าตัวเราไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าพระอริยะอย่าวาดภาพพระอริยะคือมนุษย์พิการนะหลายคนชอบวาดพระอริยะเป็นมนุษย์พิการถ้าระดับพระอรหันต์เนี่ยนะเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยจะทําอะไรทีต้องค่อยๆ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 ถ้าเห็นอย่างนี้ได้มีปัญญาอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันนักภาวนาต่อไปมีสติรู้กายรู้ใจต่อไปนะจะเห็นเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายหน้ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายมีแต่ทุกข์ล้วนเลยมีปัญญาเห็นอย่างเนี้หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความรู้ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผลภทภัพทะก็หมดความยินดีหมดความยินร้ายหมดกรรมละปฏิฆะอันนั้นเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีอยู่ที่ปัญญาล้วนเลย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 พวกเราเห็นไหมว่าจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะเราไม่เห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้นล้นะเราไม่มีปัญญาพอเพราะงั้นเราไม่ใช่พระอนาคามีไม่ใช่พระอระหันต์พวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะมีเราอยู่คนหนึ่งนะเราเดี๋ยวนี้กับเราตอนเด็กๆก็เราคนเก่านั่นแหละเราวันนี้กับเราพรุ่งนี้ก็เราคนเก่านั่นแหละการที่เห็นอย่างนี้นะนะก็คือเห็นว่าตัวเรามีอยู่เป็นความเห็นผิดนะเรียกว่ามีสักยัตทิฏฐิไม่ได้เป็นพระโสดะบัน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 ถ้าเห็นขันธ์หเป็นทุกเรียกว่ารู้ทุกถ้ารู้ทุกได้ก็เรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจนะถ้ารู้ทุกทุกคือขันธ์หนะทุกคือกายกับใจถ้าเห็นขันธ์หเป็นทุกเมื่อไหร่แล้วก็หมดความยึดถือในขันธ์หไม่ยึดกายไม่ยึดใจความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นความอยากให้กายให้ใจพ้นทุก์ก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อรู้ทุกเมื่อไหร่ตัณหาคือตัวสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นเรียกว่าละโดยอัตโนมัติ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 พวกเราใครเคยได้ยินสติปัฏฐานบ้างถ้าจะพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือการเจริญวิปัสนากรรมฐานแต่ฟังว่าวิปัสนากรรมฐานฟังแล้วมันน่ากลัวไหมนายพวกเราได้ยินคําว่าวิปัสนาก็น่ากลัววิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งความเห็นแจ้งนะไม่ใช่การคิดนะเป็นความเห็นการเข้าไปเห็นการเข้าไปประจักษ์แจมแจ้งลงไปในกายในใจนะว่ากายกับใจนี้ไม่ใช่เราหรอกนะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ต ว, วิปัศนาเป็นตัวโดวเดินปัญญาส่วนการทําสติปัฏฐานเนี่ยมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งฝึกให้เกิดสติขั้นตอนหนึ่งฝึกให้เกิดปัญญามีสองขั้นตอนนะงั้นขั้นแรกเลยพวกเราจะต้องฝึกให้เกิดสติก่อนมันน่าอัศจรรย์คนในโลกนี้รักตัวเองที่สุดแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดรู้สึกหมเราเวลาเราคิดเราชอบคิดเรื่องคนอื่นนะเวลาเราดูเราจะดูคนอื่นใช่ไหม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 อนาปนสตินะเบื้องต้นทําให้เกิดสติหายใจไปเรารู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวนะเช่นเราหายใจไปหายใจไปจิตเราถล่มไปจ้องลมหายใจแล้วเราลืมตัวแล้วนะจิตหลงไปจ้องลมหายใจเรียว่าลุดหลงไปแล้วรู้ทันว่าจิตถล่มลงไปจ้องลมหายใจแล้ะเราหายใจไปหายใจไปจิตแอบไปคิดขณะที่จิตไปคิดเราก็จะลืมกายลืมใจเนี่หลงไปคิดหลงทางใจแล้วเรารู้ทันนะรู้ทันแต่อย่าดึงคืนมานะ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 อย่างเราหายใจเข้าหายใจออกนะเราเห็นแต่ร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูก <loca v ail> ารจะเริ่มจเจริญปัญญาเนี่ยขั้นแรกสุดต้องแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจออกไปเราเห็นในร่างกายที่กําลังหายใจอยู่นะเป็นแค่รูปธรรมอันนึงที่กระเพิ่มเข้ากระเพิ่มออกมีท่าไหลเข้ามีท่าไหลออกตลอดมันเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเ ด, เดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบเดี๋ยวก็โป่งเดี๋ยวก็แฟบใจเราเป็นแค่คนดูนะเราจะเห็นในร่างกายนี่ไม่ใช่เราหรอก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 จิตมันจะรวมเข้าอปปนาสมาธิตัว น, นี้เป็นกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคขึ้นมาเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยอาศัยที่เราคอยรู้กายรู้ใจเนืองๆไปนะแต่ว่าก่อนจะเกิดอริยมรรคเนี่ยพอรู้กายรู้ใจไปช่วงหนึ่งบางทีบางคนจะเบื่อมากเลยเห็นกายเห็นใจมีแต่ทุกข์น่าหน้าเบื่อเอื่อมระอาบางคนรู้สึกเวงว่างไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเพราะเริ่มเห็นความจริงแล้วว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา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 เนี่ยเรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะเราจะเห็นเลสุขก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชัว่วคราวดูไปเรืนั้นะในที่สุดปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวพอเมื่อไรจิตมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาละเป็นกลางเนเี่ยเกิดได้หลายแบบเป็นกลางอันแรกเกิดด้วยการกดข่มไว้เช่นะถูกเ้าด่าก็ตัดฟังไม่โกรธมันไม่โกรธมันนะบอกเป็นกลางข่มเอาไว้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 ถ้าหายใจแล้วรู้สึกตัวอยู่เฉยๆนิ่งว่างๆอยู่เฉยๆใช้ไม่ได้เอาต่อไปหลวงพ่อจะสอนปิดท้ายนิดนึงนเป็นเคล็ดลับของการดูจิตพวกเราเคยได้ยินคําว่าดูจิตดูจิตไหมยุคนี้ใครไม่ได้ยินนะเรียกว่าเวยแหลกเลยบางคนดูไม่เป็นหรอกนะก็ยังอุตส่าห บ, บอกว่าดูจิตใครไม่ดูจิตก็เรียกว่าล้าสมัยจริงๆเคล็ดลับของการดูจิตนีไม่ยากเท่าไหร่มีอยู่3ามขั้นตอนนะการดูจิตเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัตินะ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 แล้วเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อไปเยี่ยมครูบาจารย์องค์หนึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าโอ้อาจารย์ประโมทสอนให้คนดูจิตดีนะหลวงพ่อชาเนี่ยเคยบอกท่านไว้ว่าคนในเมืองอะพวกปัญญาชนพวกคนในเมืองอะไรพวกเนี้ยนะอย่าไปสอนเรื่องอื่นเลยสอนให้ดูจิตไปเลยแต่ต้องดูด้วยความเป็นกลางนะนั้นเราดูจิตไปนะเ้าจิตไม่เป็นกลางคอยรู้ทันไหมดูด้วยความเป็นกลางจิตดีก็รู้ไป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 อย่าเข้าไปแทรกแสงถ้าเข้าไปแทรกแสงเมื่อไหร่เป็นสมถะเมื่อนั้นเลยเป็นการทำสมถะกรรมฐานจําได้ไหมข้อที่หนึ่งว่าไงอ๋อตอบถูกเพราะว่าจดไปแล้ว <c oughs> เอา้าข้อสองว่าไงสสิวิมลกดข้อสองระหว่างรู้ทําไงเอออย่าไปเพ่งอย่าถลํำลงไปเพ่งเอานัดทวดีรู้แล้วทํายังไง อย่าแทรกแซงโอ้เก่งนะลูกศิษย์ของคุณแม่นี่ใช้ได้เลยนะถ้าบอกว่าก่อนจะรู้ว่ายังไงอย่าไปเพ่งระหว่างรู้เป็นยังไงอย่าแทรกแซงรู้แล้วเป็นไงอย่าไปดักไว้ตายเลย <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> พอไหวไหม <c oughs> จริงๆแล้วการดูจิตดูใจนะเป็นกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเลยสําหรับคนในเมืองนะพวกเราไม่มีเวลานั่งสมาธินานๆหรอก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 อยู่ไหน uh, อยู่ไห น, นเธออยู่ไหนอย่นี่ค่ะอ๋อว่าไปกันวสการค่ะคือจากที่เคยไปว่าหลวงพ่อที่สวนสันติธรรมนะคะแล้วก็หลวงพ่อก็ให้มากันม า, มาปฏิบะะัติค่ะก็มาปฏิบัติก็รู้สึกว่าแต่อตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเต็ชอบหลงไปคิดนะคะแล้วก็ปรุงแต่งเหมือนกับมีความสุขอะคะ่ะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย น, นั่นแหละเคยรู้ทันนะความสุขลมๆแรงๆ แล้วก็หยุดพอสักพักก็จะมีอีกมาอีกก็ปรุงแต่งย่งเงก็รู้ไปนะเห็นไหมจิตมันคิดได้เองค่ะเฝ้ารู้ไปเพื่อให้รู้ทันตัวนี้แหละจิตมันทํางานของมันได้เองไปเรื่อยแล้วอยากอยากขอการบ้านเพิ่มอะค่ะดูโลปัจจุบันไปขณะนี้จิตมีโมหะดูออกไหมก็ออกค่ะเห็นไหมมันมัวใช่ไหมแล้วมันแน่นดูออกไหมนิดเออนิดนึงเถียงแทนกิเลสด้วยว่านิดเดียวไปดูเอานะ รู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแล้วไม่แทรกแซงมันอย่าไปจ้องไว้ตอนนี้ที่ผิดคือผิดกฎข้อที่หนึ่งคือไปจ้องเอาไว้ <c oughs> บังคับไว้ไปดักไม่ให้มันกิ ด, ดกขึ้นมาไปดักเอาไว <c oughs> ้คนต่อไปขอขอบพคุณค่ะกับท่านเจ้าการหลวงพ่อนะคะฟังเทปของหลวงพ่อได้ประมาณเดือนหนึ่งไม่ทราบว่ารู้กายรู้ใจเนี่ยจะทำยังไงะคะก็รู้อยู่แล้วละ ใจมันค่อยๆตื่นขึ้นมาแล้วล่ะดูออกไหมวันๆหนึ่งกิเลสเกิดเยอะแยะเลยค่ะนั่นแหละเรียกว่าเรารู้แล้วล่ะเมื่อไหร่รู้ทันนะกิเลสเกิดแล้วรู้ทันความสุขความทุกข์เกิดแล้วรู้ทันก็ถือว่าเรารู้อยู่แล้วอย่างตอนนี้จิตแอบไปคิดทราบไหมจิตหนีไปคิดแล้วค่ะแล้วจรรยสติแบบไหนถึงให้ทุกข์น้อยลงแล้วรู้ว่าว่าสิ่งที่นี่เป็นความทุกข์นะคะ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 ทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวนะจิตมันตื่นขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราปฏิบัติเอยู่อย่างตัวหนูในหมอตอนนี้ไม่ตื่นแล้วเห็นไหมแอบไปคิดแล้วฝันไปแล้วงั้นเราจิตเราแอบไปคิดเรารู้ทันจิตแอบไปคิดเรารู้ทันฝึกอย่างนี้นะแล้วเมื่อไหร่จะจ ะ, จะรู้ว่ารู้แล้วรู้ทันจิตแล้วล่ะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละตอนนี้ตอนนี้จลิดเป็นยังไงคะจลิตเหรอไปดูเอาสิเห็นไหมเราเป็นคนช่างคิด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 แต่เราคอยรู้ทันแต่จิตไปคิดแล้รู้จิตไปคิดแล้รู้ฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะค่ะเดี๋ยวสติตัวแท้ๆจะเกิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบางทีก็ปล่อยวางได้ให้อภัยแต่บางครั้งมันก็ไม่ยอม ต, อต้องไปฝึกอีกนะยังไม่พอยังไม่พออื่<ข>ออาคน <ขอ S 1> ต่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเอฟังซีรีหลวงพ่อมาประมาณปีครึ่งแล้วเจ้าค่ะแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อที่ศรีราชาประมาณสามครั้ ง, งเปลี่ยนจิตเปลี่ยนแปลงไหม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 อย่ยคุณไปเห็นสาวขึ้นมายังไม่ทันคิดอะไรนะสนมันเห็นปุ๊บแล้วยังไม่ทันคิดนะราคายัางไม่เกิดคุณเห็นแม่เนมีดีเลยทามนิดหนึ่งคุณต้องคิดก่อนอุ้ยสวยอย่างไรเงี้ยราคาถึงจะเกิดแต่ถ้าคุณมีสตินะรู้ทันว่าจิตไปดูเนี้ยราคาไม่มีโอกาสเกิดนะไม่ขาดไปเองนะแต่อย่าไปจ้องไว้ก่อนบอกแล้วราคาจะเกิดขึ้นมารู้ว่ามีราคาอย่าไปห้ามนะแต่สติเนี่จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหลือกี่คนล่ะ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 พยายามกลับมารู้สึกที่ความรู้สึกบ่อยๆนะใจมันจะได้กลับเข้ามาหาตัวเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้ค่ะในนักศึกษานิสิตเนาะถามธรรมสกานหลวงพ่อคะเจ้าค่ะอยากถามถึงการปฏิบัติของตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเป็นยังไงอะคะก็ดีนะไปขยันดูน ะ, ะแล้วก็ทํางานไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูที่ฝึกอยู่ใช้ได้คนใจมันตื่นแล้วรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออมันตื่นแล้ว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 เวลาเจอความทุกข์ยังไม่ชอบอยู่ใช่อยากให้มันสุขอะไรเงี้ยให้รู้ทันเอาเอานิสิตคนต่อไปกล่าวนมัสการค่ะหลวงพ่อดังๆกล่าวนมการค่ะหลวงพ่อเออฟังฟังสิดีหลวงพ่อมาได้ประมาณเดือนกว่านะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะแป๊บนึงอย่ไปเพ่งไว้เราอะเกรงไปหมดแล้วทำตัวสบายๆเดี๋ยวช็อกไปก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถามนะอ่ะ ก็พยายามตามรู้นะคะก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงม้างอะคะ่ะเรื่องจงใจรู้นะเร่ <c oughs> งจงใจใจรู้รู้ไปสบายๆให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อ ย, อยรู้เอาบางทีงแอบจงใจไปรอ <c oughs> ดูดูซิเมื่อไหร่จะมีอะไรให้ดู <c oughs> ยังดักรู้ใช่งไหมเออไปดักรู้อยู่ <c oughs> <c oughs> ดูออกไหมชอบดักพอคิดถึงการปฏิบัตินะปุ๊บไหนมีอะไรเนี่ยใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกหรอกคือจะ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 หนูหนูนะหนูหน้าหนูหน้าหวพปฏิบัติอยู่เป็นยังไงแล้วก็ดีแล้วล่ะใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วเราต้องพัฒนาขึ้นยังไงคือดูความรู้สึกของตัวเองไปได้ได้ตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเห็นไหมอย่างเห็นอันนี้ชอบเห็นอันนี้เกลียดหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนเห็นไหม ลิ้นเราถูกกระดรสความรู้สึกก็เปลี่ยนรถนี้ชอบรถนี้ไม่ชอบชอบไม่ชอบอยู่ที่ใจใจเราคิดขึ้นมาความรู้สึกก็เปลี่ยนกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยนนี่ยถูกแดดร้อนรรู้สึกไหมสดชื่นสดชื่นจังเลยไม่รู้สึกอ่ะเห็นไห ม, มแล้วหนูแบบปฏิแบบมันจะพอมันจะได้ยินคําว่าพอฟุ้งไปแล้วอ่ะรู้ว่าฟุงฟ้งรู้ว่าฟุง้งรู้ว่าฟุ้งมันจะมีเสียงภาคจนเออให้รู้แต่ไปว่าจิตมันภาคห้ามมันไม่ได้หรอ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 คุณแม่ด้วยอุตษาหนี่บนหลวงพ่อมาครับน้ำมศการหลวงพ่อครับอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ครับเออตอนนี้ก็ตื่นเต็นแล้วก็กดกดอยู่อะครับือจริงๆแล้วตอนที่ทราบว่าหลวงพ่อจะมาเนี่ยก็คิดเห็นจิตคิดอยู่ตลอดว่าจะส่งการบ้านหลวงพ่ อ, อยังไงดีแล้วพอเจอหลวงพ่อขณะที่ฟังอยู่จุ่ๆก็เห็นจิตนิง่งแบบนิ่งจุ่ๆก็นิ่งขึ้นมาแบบ เมื่อมันกลัวหนวงพอจิตนิ่งให้รู้ว่านิ่งนะจิตกลัวให้รู้ว่ากลัวเห็นไหมมันนิ่งเองมันกลัวเองนั่นแหละเรียกว่าเราดูเป็นมันทํางานของมันเองดูไปเรื่อยๆได้ครับตอนนี้เป็นหน่วงจิตให้ซึม<ช>เป็นหน่วงจิตให้นิ่งนิ่งซึมซึมนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วตามดูไปนักปฏิบัติที่ดีนะแทบจะไม่ต่างอะไรกับคนที่ภาวนาไม่เป็นคนที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยนะจิตแหวนขึ้นแหวนลงทั้งวันเลยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข<ม>์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลย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 เคยฟังซีดีอยู่อะค่ะแล้วตอนนี้ปฏิบัติอยู่อย่างเมื่อกี้ที่เขาพูดก็รู้สึกคิดตามไปเยอะเหมือนกันหือค่ะที่คนก่อนหน้าพูดก็มีคิดคิ ด, คดตามไปอะค่ะเออแต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติอยู่นี่มันมีความรู้สึกว่ามันก่อนหน้านี้มันเพ่งเยอะอะค่ะเออเราก็อย่าไปเพ่งนะถ้าเราเพ่งอยู่นะกายก็นิ่งจิตก็นิ่งไม่แสดงใจรักแล้วออยากจะข อ, อการบ้านหลวงพ่อเนี่ยค่ะบ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 ทุกอย่างเกิดแล้วดับดูอย่างนี้เองไม่ใช่ดูไปบังคับให้นิ่งตอนนี้บังคับมากไปละกลับนมาสการลหลวงพ่อเจ้าค่ะยมชื่ออชลวดีเป็นมิสิตสาวิกาสิขาไยค่ะโย ม, มาเรียนสาวิกาสิขาไลก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจมาจากลหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ะคือโยมไปฟั ง, ลงหลวงพ่อหลายครั้งแล้วก็อยากถามว่าโยมปฏิบัติเป็นไงบ้างจ้าค่ะใช่ได้นะอย <Let 's S 2> <Okay. S 1> ดูต่อนะ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 เราพยายามมีสติให้บ่อยที่สุดรู้สึกไปได้ได้ช่วยคุณแม่ทํางานไปเหนื่อยขึ้นมาหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดขี้โมโหหรือว่าขี้โมโหเป็นไงรู้รูปเดียวเลยดูเขาทํางานเห็นกายทํางานเห็นจิตทํางานแต่นกกามสกันของพ่อครับคือคือมีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังคือช่วงประมาณเดือนกว่าๆไม่ได้ยินม嘛เชิงช่วงประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาคือ ใจได้เห็นความทุกข์ของกายและก็ของใจอย่างชัดเจนรวมทั้งได้เห็นความทุกข์ของการได้เกิดมาในวัฏฏะสงสารแล้วเป็นกลางไหมครับไปดูนะเห็นความทุกข์จริงแต่ไม่เป็นกลางครับไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปครับถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยถึงจะรู้ถูกครับถูกพอดีเลยตอนนี้เราเห็นทุกข์เราเบื่อหน่ายเราเอื่อมลาเราไม่ชอบเราอยากพ้นไปครับให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวเนี้ย ครัไปฝึกตวนี้ขอโอกาสเจ้าค่ะขออนุญาตทำความก้าวหน้าในการปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วก็อข อ, อการบ้านเจ้าค่ะอย่า ก, กดไลยนะเจ้าวหน้าอยู่ก้าวหน้ากว่าเก่าแล้วพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดีลูกสิษคุณแม่รอบนี้ภาวนาดีขึ้นเยอะเลยขยันภาวนาน่าได้ข่าวว่าคุณแม่เปิดห้องพระธาตุยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่าให้พระท่านเหงานะ ไปนั่งภาวนาสบายเทวดาเขาก็นั่งด้วย<อ>หมดยั่งู่ไหนขอโอกาสจัะเอาหลวงพ่อต้องดูเราด้วยหูแล้วเอา้าว่าไปอยากถามถึงความก้าวหนะ้าแล้วก็อยากได้กันบ้าง น, นะคะคอยรู้ทันนะใจมันแอบไปคิดใจมันฟุง้งซ่านคอยรู้ว่ามันฟุง้งซ่านรู้สึกไหมมันช่างคิดน่ะมันจะหนีไปเรื่อยๆนะแล้วอย่าไปกดอย่าไปข่มไว้ ดูมันสบายสบายไปตอนนี้กดอยู่ทราบไหมอย่าไปกดสบงังบังคับไม่ไม่ดีปล่ยมันหมื่อใจเราไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจใจคับแค้นรู้ว่าใจคับแค้นใจเป็นยังไงรู้ไปเรื่อยๆดูเหมือนเราเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆขอบพระคุณค่ะขราบเจ้าบสกาหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกได้ฟั่งซีดของหลวงพ่อมาประมาณหนึ่งปีนะเจ้าคะ่ะแล้วก็ช่วงแรกก็เห็นสภาวะรมเกิดดับเนี่ยนานๆหนหนึ่งเจ้าคะ่ะแต่ว่าระยะหลังมาเนี่ยเห็นถี่ขึ้นเรื่อยๆเจ้าคะ่ะสิ่งที่เห็นมากที่สุดคือความหลงเจ้าคะ่ะหลงไปตลอดเวลาทั้งวันเลยดีขณะนี้เนี่ยสีเดืนที่ผ่านมาเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อกายเคลื่อนไหวก็รู้เจ้าคะ่ะค่ะก็ดีสิก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าลูกปฏิบัติถูกต้องหรือยังเจ้าค่ะปฏิบัติใช้ได้นะ แตอย่าบังคับตอนนี้ไม่เป็นธรรมชาติดูออกอไหมเจ้าค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากเจ้าค่ะตื่นเต้นไปกดอยู่ค่ะปล่อยให้มันทํางานไปตามธรรมชาติแล้วตามดูไม่ได้ใช่ได้เกิดออกมาล้วเมื่อกี้เนะจค้ค่ะค่ะแล้วก็ลูกขอถามอีกคําถามหนึ่งเดี๋ยวหลวงพถามคนอื่นแ่บใครใจลอยบ้างยกมือขึ้นโอเริ่มเป็นแล้วเริ่มรู้แล้วใช่ไหมใจลอยใจลอยนะอย่าดูถูกนะที่หัดดูใจลอยเนี่ยสําคัญมากเลย เพราะความใจลอยเนี่ยเป็นกินเลสที่เกิดบ่อยที่สุดสังเกตไหมวันหนึ่งวันหนึ่งเราหลงไปคิดตลอดเวลาเลยนะงั้นต่อไปนี้ฝึกหนะ้าใจลอยไปแล้วสนใจเขาดูเขาลืมตัวเองแล้วรู้ทันแล้วว่าใจลอยไปแล้วบางทีก็ใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิดคอยรู้ทันใจลอยนะฝึกไปง่ายๆ อ, อ่ะอ้าวไปเออช่วงช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ ย, ยค่ะ ลูกรู้สึกว่าลูกเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างเบื่อนี้เป็นโทสะยังไม่ใช่นิพพิธาก็รู้ทันเจ้าค่ะว่าความเบื่อเกิดขึ้นเจ้าค่ะใจไม่เป็นกลางแต่ไม่ชอบลูกจิตใจตั้งมั่นดีขึ้นบ้างหรือยังเจ้าค่ะดีขึ้นนะแต่ว่ามันยังไม่เป็นกลางเจ้าค่ะมันยังเจ็บแค้นอยู่ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อครับอยู่ไหนล่ะอยู่นี่ครับผมอาจจะน่ากันนิดนึงคือเรื่อง รางสังหรณ์กับ<ม>อืมช่วยหรณ์มันทําไมอ่ะไม่ใช่ครับกับไอเนี้ยครับกับการรู้ทันจิตหรือว่าอะไรพวกนี้มันมันหรือรู้เห ก, การล่วงหน้าบางอย่างเนี้ยมันต่างกันหรือเปล่าครับไม่สนใจไปเลยนะก็คือพอนั่งแล้วมันเหมือนมีเรื่องราวเข้ามาอยู่กับปัจจุบันโอเคอะนะดังนั้นพอนั่งแล้วมีเรื่องราวขึ้นมารู้ทันว่าจิตกําลังฟุง้งซ่านอยู่แค่นี้จบเลยโอเคจะจริงหรือจะไม่จริงไม่สําคัญหรอกเราไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นตื้นไปอืได้ไป เราเสิ่งที่วิเศษกันนั่นอีกคือให้เกิดปัญญาเห็นเลยจิตมันคิดได้เองจิตมันรู้ได้เองจิตมันปรุงได้เองนะเอาตัวนี้นะให้เห็นว่าขันห้ามันทํางานได้เองทําตรงนี้เราจะได้เป็นพระอริยะได้ไม่งั้นเราจะกลายเป็นหมอดูไปครับการนักการหลวงพ่อครับขอการส่งการบ้านนะครับอโดยในชีวิตประจําวันนะครับจะเห็นส่วนใหญ่จะเห็นลงไปครับลงไปลงไปคิดนะครับแล้วก็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 ตามรู้กายรู้ใจอย่างที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ได้กรุณาตลอดจนนิสิตส า, ศ า, ศ า, ศาวิกาศิขาไลก็กลัวๆกล้าๆไม่กล้าถามจนกระทั่ง ค, ค่อยๆคาน ม, มาถามกันทีระดับระดับซึ่งก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยเจ้ค <น S 1> ่ะเพราะงานานี้เนี่ยเป็นงา น, า น, า น, า น, านที่ตั้งใจที่จะทําให้หลวงพ่อเองที่มาเสถียรธรรมสถานครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความก้าวหน้าและความตั้งใจของพวกเราทุกคนเจ้าค่ะ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 คำสั่งสอนของพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่สมาชิกในชุมชนก็ดีหรือเพื่อนพมออาจารย์ในสงังฆาของสาวิกาก็ดีก็มีความรู้สึกว่าท่านอาจารย์เป็นครูที่สอนให้พวกเราได้รู้ว่าการปฏบิบัติบูชาต่อครูโดยการพัฒนาชีวิตของเราให้เปลี่ยนแปลงได้เห็นความเป็นอนิจจังให้แจ้งประจักษ์นั้นก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อก็จะ มีกำลังใจที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ขอบพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งเลยนะเจ้าคะ่ะเราจะน้อมใจกันถวายต้นไม้ไปที่สวนสันติธรรมจะค่อยๆทยอยส่งไปให้เจ้าคะ่ะขอให้พวกเรารทุกคนพนมมือขึ้นหลวงพ่อจะพูดอะไรก่อนนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อก็จะอนุโมทนาน ะ, ะคุณแม่คุณแม่เป็นนักบวชผู้หญิงตัวอย่างนะหายากเพราะอะไรรู้ไหม จุดเด่นของท่านเลยคือท่านทํางานหลวงพ่อสงสารนะนักบวชผู้หญิงในสังคมเราเนี่ยมองข้ามนักบวชผู้หญิงทั้งๆ ท, ท, ที่ผู้หญิงสําคัญมากโลกครึ่งหนึ่งอยู่กับผู้หญิงนะโดยเฉพาะสังคมไทยนะถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ให้เดียบ้านเมืองเราอยู่รอดมาเพราะผู้หญิงอะผู้ชายไม่ค่อยทํามาหากินเท่าไหร่เราเล่นไปเล่นมาผู้หญิงเป็คนทํางานคุณแม่ต่างกับคนอื่นนักบวชผู้หญิงคนอื่นตรงที่คุณแม่ทํางานคุณแม่ไม่ได้เริ่มต้นโดยการเรียกร้อง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 ผู้หญิงอะลำบากกว่าผู้ชายเยอะในเรื่องการปฏิบัติผู้ชายนะมันเร็วแค่ไหนไปบวชคนก็เลี้ยงผู้หญิงอะลำบากจริงเลยหลวงพ่อละเห็นใจมากเลยแล้วก็รู้สึกคุณแม่นะ่าเก่งเหลือเกินนะน่านับถือคุณหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งชั่วข้าที่ให้กัาหลังใจถ้าอย่างนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงพนมมือขึ้นนะลูก <c oughs> ที่จริงผู้ชายและผู้หญิงก็มาจากผู้หญิงที่เป็นแม่ทุกคนแล้วก็การที่ท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติคุณแม่ ก็เหมือนท่านอาจารย์ได้ให้เกียรติผู้หญิงทุกคนคุณแม่จะขอเป็นตัวแทนนะคะสิ่งที่ทราบซึ้งคือท่านอาจารย์บอกว่าคุณแม่ไม่ต้องเอาเสื้อตั้งถวายท่านอาจารย์มีเสียงแววมาเจ้าคะ่ะเสียงแววเพราะท่านอาจารย์ถามถึงแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ใช้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 ธรรมะอยู่ที่ไหนไม่ปลอดภัยทั้งสิ้นต้องเอาธรรมะมาไว้ในหัวใจเราให้ได้นะที่ที่จะเก็บธรรมะได้ดีที่สุดคือหัวใจของเรานี่แหละตั้งใจที่จะกลับหลวงพ่อพร้อมกันด้วยความกตันยูที่เราจะปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเป็นหนึ่งในพรนระัตนตาใจซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงพ่อให้กําลังใจพวกเรามากว่าเราสามารถที่จะอยู่ในสังขรัตนะได้ ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบนหนทางสายเอที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปอัญชิีวันธนาอภิว่า